ก็อาจจะมารักกันอย่างซึ้งใจป่ามันกระชากหน้ากาทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราอำพรางสวมใส่ไว้ออกหมดสิ้นเหลือไว้แต่หัวใจให้มองเห็นชัดจริงไหมผู้กองประโยคหลังหันไปถามพรานใหญ่ผู้ยืนอยู่ข้างๆแล้วผีหนุ่รอบแผ่วต่ำในรำคอเบนสายตาหลบไปทางหนึ่งตอบอย่างสุภาพสํารวมเต็มไปด้วยการระมัดระวังว่าก็อาจจะจริงครับแล้วต่างก็นิ่งกันไปอีกครั้ง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 หล่อนทายความรู้สึกของตนเองไม่ถูกว่าจะตกอยู่ในภาวะไหนคงใจหายใช้เล่นทีเดียวที่จะไม่มีโอกาสได้พบเห็นพรานไพรยใจฉากาดคนนี้อีกชำเลืองแวบหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจไปทางด้านนั้นก็เห็นเขาหน้าตามแบบฉบับของชายนั้นขรึมสงบเยียบเย็นอยู่เหมือนเดิมจนไม่สามารถอ่านถึงหัวใจได้น่ารักและน่าชังแยกกันไม่ออก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 เหลืออีกสิบกระบอกที่จะต้องให้อยู่ในความดูแลของพวกนี้ต้องคิดให้รอบคอบนะคะพี่ใหญ่มันเป็นอาวุธอาจเกิดอันตรายอะไรที่เราคาดคิดไปไม่ถึงก็ได้ทุกคนดูเหมือนจะเพิ่มคิดขึ้นมาได้ตามคําติงของหญิงสาวภายหลังจากคล้ายครวญอยู่คู่และยังไม่เห็นไข่ออกความเห็นเช่นไ ร, รพระผินก็บอกมาว่าก็มีทางแก้ไขในเรื่องนี้ทํายังไงถอดเข็มแทงจนวนออกให้หมดทุกกระบอก แล้วแพ็คลงหีบมันก็หมดสภาพของความเป็นอาวุธร้ายนอกจากกลายเป็นอาวุธชนิดหนึ่งเท่านั้นชา ย, ยานตกเขาโดยแรงใส่มากผู้กองเส้นผมบงผังภูเขาอยู่แค่นี้เองมัวคิดกันอยู่ได้ตั้งนานหมอดารินฉราดรอบข้อพอเทีเตือนให้เราได้ในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ยักฉลาดในเรื่องวิธีแก้ไขส่วนผมกับเชิดถาก็มัวแต่ง ง, งด้วยปัญหาย่าปากคอเป็นอันทําอย่างที่คุณว่านั่นแหละหมดเรื่องไป เอาละอะไรแต่อะไรก็ลุล่วงเรียบร้อยตามแผนไปได้หมดแล้วเพียงแต่จะรอให้ถึงกาหนดเวลาออกเดินทางเท่านั้นผมคิดว่าระยะเวลาระหว่างนี้คุณเตรียมกาหนดได้แล้วว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วค่อยมาร่วมพิจารณากันอีกทีเตรียมไว้เสร็จก่อนเนินเน่นๆละดีเมื่อถึงเวลาเดินทางจะได้ไม่คลุกขลากและลืมหัวหน้าคณะออกคาสั่งกับพรานนาทาง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 ระปินจึงเรียกให้ขยินมานั่งตรงพื้นเบื้องหน้าเชษฐาหัวหน้าคณะก็ถามว่าขยินเราได้ข่าวว่าเจ้าจะไปกับเราด้วยไม่ใช่หรือใช่แล้วนายใหญ่ขยินตอบอย่างหนักแน่นห้าวหารตาขุนกระด้างอยู่เป็นนิดจับนิ่งไปอย่างเชืฐถาแฝงไว้ด้วยกายอ่อนโยนเคารพรักเจ้าแน่ใจหรือขยินชยายยันซักมาอีกคนหนึ่งจ้องหน้าเขมงมาเหมือนจะคาดค้นอาความจริง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 และเจ้านักเลงใหญ่ชาวดอยก็แบกปืนลิ้วกลับไปคีหาของมันซึ่งไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่นอนกอดเลมิงตันโมเดล870ปั๊มแอคชั่นกระบอกนั้นแทนเมียตลอดทั้งคืนและเล่งเวลาให้รุ่งเช้าเสียโดยเร็วเพื่อจะได้ทดลองโดยมีเงาทรายเป็นผู้แนะนให้ตามคำสั่งของนายใหญ่รัะพินภัยวันนึกชมเชยเชื่าอยู่ในใจเหมาะแล้วที่บุคคลผู้นี้จะเป็นหัวหน้าคน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 ขณะเดียวกันตนเองก็หัดพูดภาษาชาวเขาชั่วระยะเวลาเพียงสองอาทิตย์หล่อนก็พอจะส่งภาษากับพวกนั้นได้บ้างงูงูปลาปลาทำความพิศวงให้กับพรานใหญ่รละพินไม่ใช่น้อยขารอบสังเกตหล่อนขณะที่คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับชาวบ้านด้วยสายตาทึ่งๆแล้วก็นิยมลึกอยู่ในใจเงียบๆล่าชสะกุลสาวสวยผู้นี้เหมาะแล้วที่จะเป็นแพทย์และนักมนุษย์เวียรวมทั้งนักประชญภัยเลือดข้น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 สั์ลูกปลายตึงเข้าให้เต็มหน้าแงโดยคิดว่าพยาก็จะสารจะล้มคว่มม้วนมุดไปคาตาผลปรากฏว่าเจ้าพลายโทนแผดเสียงกล้องด้วยความโกรธแค้นพุ่งสวนควับเข้ามาหมายจะป่นกระดูกเสียเขายินหันหลังได้ก็วิ่งตาปริ้นมันกวดตามมาติดๆเอางวงคว้าเฉียดหลังไปเท่าเส้นยาแดงโชคดีเหลือเกินที่บุญคาตามมาทันและเห็นเหตุการณ์เข้ามาพอดี สกัดเจ้าพลายหลายตัวนั้นไว้ได้ด้วยจุด3 7 5. ม้มวนความลงขยินจึงรอดจากโคชบาทาไปได้อย่างหวุดหวิดสบดดาขมถมเถสาบแช่งตัวเองเพราะเข้าใจว่าหญิงผิดเจ้าหญิงไม่ผิดหลอกขยินเชษฐาบอกพลางหัวเราะเมื่อได้ฟังเรื่องที่เล่าอย่างบวยวายของขยินจบลงแต่ที่ช้างไม่ตายก็เพราะเจ้าเอาลูกปืนที่ใช้ยิงสัตว์เล็กไปยิงสัตว์ใหญ่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 เชษฐาจุปากมองดูสหายรักอย่างตำหนิไม่ควรยิงสวนหน้ากัะชันชิดแบบนี้เลยถ้านัด น, นั้นพลาดแม้แต่นิดเดียวแกก็แหลกไปแล้วทำไมถึงไม่หาที่หลบเสียก่อนก็ดูสิว่ามันมีอะไรจะให้หลบสักนิดหนึ่งไหมต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมีแต่หญ้าคาความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจเลยพบมันอย่างกระทันหันโจนตัวที่สุดไม่ทันรู้ว่ามันนอนเปลือกปลักอยู่พอใกล้เข้ามามันก็พรวดพลาดขึ้นยืน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 ดาลินเอ็ดตโรร่านเรื่องยิงช้างแต่ชยยายันแก้ตัวว่ามันไล่เขากับพวกชาวบ้านขณะที่ไปช่วยกันโหตะเพิดขยินก็ยืนยันรับรองว่าชยยายันยิงนางพังผู้คุมโขลงตัวนั้นเพื่อป้องกันตัวจริงๆชักมันมือขึ้นมาหรื อ, อยังไงยิงดะไม่เลือกก็ไหนสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ยิงสัตว์อะไรอีกโดยไม่จําเป็นได้กินเนื้อกินหนังมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนี่ยิงทิ้งบอกตรงๆฉันไม่อยากเห็นใครยิงช้างเลย หญิงสาวบนมันก็จําเป็นจริงๆนี่นาจะปล่อยให้มันมาถอนกล้วยชาวบ้านเสียทั้งไรงั้นเลยตีเกาะเคาะไม้ไล่กันแล้วมันยังเป็นเข้าใส่น้ำใจเธอคงอยากเห็นชั้นแบนติดดินไปเสียก่อนกำมังยิงขู่ขึ้นฟ้าก็พอขี้คร้านมันจะหนีป่าล่าไปทำไมต้องฆ่ามันด้วยมันคงไม่ร้ายกาอย่างโขงให้แวงหรอ อยากจะเป็นพรานใหญ่อย่างย่อชายนายรพินก็เอาตัวอย่างที่ดีของเขามาปฏิบัติบ้างสิอ้าวก็ยิงตูมเดียวคว่ายังไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามที่ดีหรือเดี๋ยวนี้พูดแล้วจะว่าคุยไม่เคยยิงอะไรให้ลำบากเลยนัดไหนนัดนั้นจอดทุกรายไม่ใช่อย่างนั้นดาลินตะวัดแวะตาขุนมองดูเพื่อนชายอย่างเคืองๆฉันหมายถึงวิธีปฏิบัติในการร่าของเขา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 อะไรกันหัวเราะ อ, อะไรกันคิกคักช้างครับนายหญิงช้างผัดเผ็ดไม่ใช่กวางหรอกบุญคําเป็นคนแร่นายทหารเป็นคนทําครัวบุญคําบอกอ่อยๆมาด้วยสำเนียงเนอเนอของแกดารินตะลึงเบิกตาโตจ้องหน้าทั้งสองร้องรั่นออกมาช้างผัดเผ็ดใครบอกกวางตะหกักอย่าไปเชื่อบุญคำํำชา ย, ยันรีพูดโดยเร็ววางหน้าเฉยแล้วหันไปแยกเคี่ยวกับบุญคํา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 เดี๋ยวก็รู้หล่อนคำรามรอดไยฟันออกมาแล้วก็เหลือไปเห็นกระสุนเข้าพอดีปรีดิงเข้าไปบุญคําก็หันมาสกิดชายยันกระซิบบอกเร็วปือ้อเพนเฮนายถ้าจะไม่เข้าการแล้วบุญคําเพนก่อนละว่าแล้วต่อพลานเท่าก็กระโจนผูงลงจากเรือนห่อแนบไปชายยันก็เพนโครมแล่นตามหลังไปด้วยดาลินบรรจุกระสุนเข้าลำกล้องเสร็จหักลำกลับเข้าที่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่รพีนไพวันเดินเสือกขึ้นมาบนเรือน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 กว่าสายตาลงไปยังเบื้องล่างเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างแต่หล่อนมองไม่เห็นวี่แววของบุญคำหรือชายยันทั้งสองอันตรธานไปเสียแล้วจึงหันกลับมาจ้องหน้าเขาแล้วพินยังคงงงหน้าตื่นอยู่เช่นนั้นก็ไม่ไร้ายแรงอะไรหรอกอยากจะสั่งสอนคนสักสองคนสั่งสอนด้วยปืนยิงช้างนี่นะหรือครับแล้วพินร้องลืมตาโพล์ปืนยิงช้างก็บอกนี้มันยังเล็กไปเสียอีก อยากจะได้ให้มันใหญ่กว่านี้พ่านใหญ่กับพริบตาทีเร็วจะไม่อธิบายหน่อยหรือครับว่าอะไรเป็นอะไรฮะผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเฮะแปลว่าอะไรเราอีกคนหนึ่งอยากจะรู้นะักเป็นตัวการด้วยหรือเปล่าหล่อนตวาดมาเอามือผลักอกเขาตัวการในเรื่องอะไรกันเอาเนื้อช้างมาหล่อชั้นกินเมื่อกลางวันนี้นะสิ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 จะมีใครก็ตัวดีสองคนนั่นแหละตัวดีสองตัวช ย, ยันกะตะเข้าบุญคํานั่นแหละเจ็บใจนะักยังมีหน้ามาย่อเย้ยเสียอีกเมื่อกลางวันนี้ถูกรอให้กินเนื้อช้างไม่เป็นไรแต่เย็นนี้ต้องกินเนื้อชา ย, ยันกับบุญคําให้ได้อาจเป็นคุณด้วยอีกคนหนึ่งถ้าคุณร่วมด้วยระพินใช้แขนปาดปากกระบอกจุดหกศที่สองเลื่อล่าอยู่แถวแถวปลายคางของเขาออกไปช้ า, ชา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 ขอรับรองว่าไม่มีเนื้อช้างปนอยู่ด้วยเลยใครที่ไหนกันครับจะเอาเนื้อช้างมาทำเป็นอาหารในเมื่อเรามีเนื้ออื่นๆอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วและเมื่อกลางวันนี้ทั้งคุณชายันกับคุณบุญคำกับบุญคำทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยเลยมีผมเกิดเสยแล้วก็แง่า ย, ายช่วยกันทำอยู่4ี่คนเท่านั้นคุณชายันไปหากล้วยไม้กับบุญคาและขยินทางหน้าผาน้าตกโน่นกลับมาถึงก็เวลาอาหารพอดีโกหกหรือเปล่า หล่อนกระชากเสียงครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งจ้องเขามาอย่างคาดคั้นแล้วผิดเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวโท่จริงสิครับผมจะมาโกหกคุณหญิงทําไมแล้วทําไมสองคนนั่งถึงมากล่อนกับฉันทําเอาผะอืดผะอมอยู่นี่คงแกล้งยั่วคุณหญิงสนุกสนุกนั่นเองคุณชายยันแกขี้เล่นออกคุณหญิงก็รู้ดีอยู่แล้วดาลีนหัวเราะออกมาได้ แต่ยังไม่วายตาคว่มตาหงายและโดยเหตุผลกลใดไม่แจ้งเหมือนกันพานมาค้อนเขาเข้าให้ด้วยนี่นายพานบอกกล่าวสิให้รู้นะลูกศิษย์ของคุณนะ่ะดีนักนี่ลูกศิษย์ผมใครกันก็นายชัยยันอนันตัไตน่ะสิอ๋อทำไมหรือครับใจดำอมหิตมากยิงสัตว์ไม่เลือกขนองมือใหญ่ถือว่าได้อาจารย์ดีสอนวิชาให้เจออะไรเป็นยิงดะ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 ว่าแต่ใครจะเป็นคนตีผมล่ะหล่อนปั้นหน้าเคร่งขึมแต่แล้วก็หัวเละาะขณะนั้นจันก็เดินหน้าตื่นเลิกลักขึ้นมาบนเรือนตรงเข้ามาที่หล่อนโดยเร็วมีพวกชาวบ้านหญิงชายสองสาคนตามมาด้วยคนพวกนั้นท่าทางกระสรับกระสายยืนเกาะ อ, อกกันอยู่ที่หัวบันไดเรือน